ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเชนธรรมเทศนาความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเป็นสัมมาทิฐิหรือเห็นถูกต้องและความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นความเห็นชนิดที่เรียกว่าเป็นกลางๆงไม่เอียงสุดไปทางใดทางหนึ่งปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นหลักหรือกฎ ที่แสดงความจริงเป็น ก, กลางๆไม่เอียงสุดอย่างที่เรียกว่ามัตเชนธรร ม, มเทศนาความเป็นกลางของหลักความจริงนี้มีโดยการเทียบกับลัทธิหรือทฤษฎีเอียงสุดต่างๆและความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทโดยถูกต้องจะต้องแยกออกจากทฤษฎีเอียงสุดเหล่านี้ด้วยดังนั้นในที่นี้จึงควรนาทฤษฎีเหล่านี้มาแสดงไว้เปรียบเทียบเป็นคู่ค โดยการใช้วิธีอ้างพุทธพจน์เป็นหลักและอธิบายให้น้อยที่สุดคู่ที่หนึ่ง 1. อัติกะวาทะรัดทีว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่จริงเทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า extreme realism เทียบคู่กับ 2. นัตทิกะวาทะรัฐที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีจริง เทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า nihilism หมายเหตุเชิงอัดในกรณีของลัทธิหรือทฤษฎีต่างๆคำว่าวาทะเปลี่ยนเรียกว่าทิฏฐิได้ทุกแห่งดังนั้นวาทะทั้งสองนี้และต่อจากนี้ไปจึงเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าอัติก at ะทิฏฐินัติกะทิฏฐิสัสตะทิฏฐิอุเฉตทิฏฐิเป็นต้นเฉพาะอัติกะวาทะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สับพัทิกะวาทะในกัจจานะโคตสูตรสังยุตินิกายนิธานวัตท่านพระกัจจายนะโคดได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้แค่ไหนจึงจะชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าแน่ท่านกัจจานะโลกนี้โดยมาก อิงทฤษฎีของตนไว้กับภาวะสองอย่างคืออัตตาความมีและนัตตาความไม่มีเมื่อเห็นโลกสมุทยัยคือความเกิดแห่งโลกตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญานัตตาในโลกก็ไม่มีเมื่อเห็นโลกนิโรธคือความดับแห่งโลกตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญาอัตตาในโลกนี้ก็ไม่มี โลกนี้โดยมากยึดมั่นถือมั่นในอุบายคือวิธีการและถูกคล้องขังไว้ด้วยอภินิเวศคือความยึดมั่นส่วนอริยสาวกย่อมไม่เข้าหาไม่ยึดไม่ติดอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นในอุบายความปักใจอภินิเวศและอนุสัยว่าอัตตาของเราย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าทุกนั่นแหละเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นทุกเมื่อดับก็ย่อมดับอริยสาวกย่อมมีญาณในเรื่องนี้โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลยเพียงเท่านี้แหละชื่อว่ามีสัมมาทิฐิดูก่อนกัจจานะข้อว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่นี้เป็นที่สุดข้างหนึ่งข้อว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีนี้เป็นที่สุดข้างหนึ่ง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 ในโลกายติกาสูตรสังยุตตินิกายนิธานวั์พรามนักโลกายะคนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้าคำว่านักโลกายัตนี้มีสองไยไยที่หนึ่งเป็นลทัทธิฝ่ายวัตุนิยมของปรัชญาอินเดียที่เห็นว่าตายแล้วขาดศูนไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์หรือชาติหน้าดังนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็หาความสุขให้เต็มที่ เรียกอีกอย่างว่าพวกจารวาวักส่วนนัยยะที่สองเป็นความหมายในพระไตรปิฎกซึ่งกว้างกว่านัยยะแรกโลกาญัตแปลว่าเนื่องด้วยโลกก็หมายความว่าเป็นลัทธิที่มัวแต่ขวนขวายหาความรู้ในเรื่องโลกจักรวาลนี้ว่ามันเป็นอย่างไรตั้งต้นอย่างไรมาจากไหนจะสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดวุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของทิฏฐิต่างๆดังปรากฏในคําสนทนาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้พราหมณ์นักโลกายาต์นั้นทูล ถ, ถามปัญหาว่าท่านพระโคตมะผู้เจริญสิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าข้อว่าสิ่งทั้งปวงมีเป็นโลกายาต์หลักใหญ่ที่สุดพราหมณ์นักโลกาญต์นั้นถามอีกว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีหรือ ตรัสตอบว่าข้อว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีเป็นโลกาญัติที่สองถามอีกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหนึ่งเดียวหรือตรัสตอบว่าข้อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหนึ่งเดียวเป็นโลกายัติที่สามพรามนักโลกายัตนั้นก็ยังถามอีกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหลากหลายหรือพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ข้อว่าสิ่งตั้งปวงเป็นภาวะหลากหลายเป็นโลกาญติสี่ 4. ดูก่อนพรามตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างเหล่านี้ย่อมแสดงธรรมเปน็นกลางๆว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นต้นจนถึงความโศกความคร่าครวญทุกโทมนัตความคับแคนใจจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งปวงนี้จึงมีได้และเพราะอาวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเป็นต้นจนถึงความโศกความคร่าครวญทุกโทมนัสความคับแค้นใจก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนี้ปริศดีเอียงสุดคู่ต่อไปคู่ที่สองหนึ่ง สัสตะวาฏะลัทธิถือว่าเที่ยงเทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า e t h n o n i i s m 2. อ, อุเฉตวาฏะลัทธิถือว่าขาดศูนย์เทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า annihilationism ah 3. ู้ที่สหนึ่งอัตการะวาฏะ หรือสยังการะวาธลทัทธิถือว่าสุขทุกข์เป็นต้นตนทำเองเทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า self-generationism หรือ c a r m i c autogenesisism 2. ปรการะวาธลทัทธิถือว่าสุขทุกข์เป็นต้นเกิดจากตัวการภายนอกเทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า other Generationism หรือคา e ิก e ฮเทเรเจน s ซ s สม m คู่ที่สองและสามนี้มีความสำคัญมากในแง่ของหลักกรรมเมื่อศึกษาให้เข้าใจดีแล้วจะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดในเรื่องกรรมได้เป็นอย่างมากจึงควรสังเกตตามแนวพุทธพจน์ในอเจลกัสปะสูตรสังยุตตนิกายนิธานวัตพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบคำถามของอเจลกัสปะดังนี้ ทุกตนทำเองหรือตระตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นถามว่าทุกตัวการอื่นทำให้หรือตระตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นถามว่าทุกตนทำเองด้วยตัวการอื่นทำให้ด้วยหรือตระตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นถามว่าทุกไม่ใช่ตนทำเอง ไม่ใช้ตัวการอื่นทำให้แต่เกิดขึ้นเองลอยๆหรือตรัสตอบว่าอย่า ก, กล่าวอย่างนั้นถามว่าถ้าอย่างนั้นทุกไม่มีหรือตรัสตอบว่าทุกไม่ใช่ไม่มีทุกมีอยู่ถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านพระโคตมะไม่รู้ไม่เห็นทุกหรือตรัสตอบว่าเรามิใช่ไม่รู้ไม่เห็นทุก เรารู้เราเห็นทุกแท้ทีเดียวในที่สุดอาเจยละกะสัส ป, ปะจึงทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดบอกโปรดแสดงทุก์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อว่าทุกตนทำเองอย่างที่ว่าทีแรกก็เท่ากับบอกว่าผู้นั้นทำผู้นั้นเสวยทุกกลายเป็นสัจสตติฐิไปเมื่อว่า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 จนถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้จึงมีได้และเพราะอาวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเป็นต้นจนถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนิในติมภรุกสูตรสังยุตตานิกายนิทานวัครพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบคาถามของติมภรุกขปริพาชกดังนี้ ติมพรุกขปริพาชกถามว่าสุขทุกขตนทําเองหรือตรัสตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นถามว่าสุขทุกตัวการอื่นทําให้หรือตรัสตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นถามว่าสุขทุกข์ตนทําเองด้วยตัวการอื่นทําให้ด้วยหรือตรัสตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้น ถามว่าสุขทุกข์ไม่ใช่ตนตําเองมิใช่ตัวการอื่นทําให้แต่เกิดขึ้นเองลอยๆหรือตรัสตอบว่าอย่า ก, กล่าวอย่างนั้นถามว่าถ้าอย่างนั้นสุขทุกข์ไม่มีหรือตรัสตอบว่าสุขทุกข์มิใช่ไม่มีสุขทุกข์มีอยู่ถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านพระโคตมะไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรือ ตรัสตอบว่าเราไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์เรารู้เราเห็นสุขทุกข์แท้ทีเดียวในที่สุดติมพระรุกขปริพาชกจึงทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดบอกโปรดแสดงสุขทุกข์แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเพราะเข้าใจเอาแต่แรกว่าเวทนาก็นั่นผู้เสวยเวทนาก็นั่นจึงเกิดยึดถือขึ้นว่า สุขทุกตนทำเองเราหากล่าวว่าเป็นอย่างนั้นไม่เพราะเข้าใจว่าเวทนาก็อย่างผู้เสวยเวทนาก็อย่างจึงเกิดความยึดถืออย่างที่ผู้ถูกเวทนาทิมแทงรู้สึกว่าสุขทุกข์ตัวการอื่นทำให้เราหากล่าวว่าเป็นอย่างนั้นไม่ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้นย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆว่า เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นต้นจนถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้จึงมีได้และเพราะอาวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเป็นต้นจนถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการชนีในภูมิชะสูตรสังยุตติกายนิทานวักพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอานอนท์ว่าดูก่ อ, นอานอนท์เรากล่าวว่าสุขทุก เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมคือสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยผัสสะเมื่อกายมีอยู่อาศัยความจงใจทางกายเป็นเหตุสุขทุกขภายในจึงเกิดขึ้นได้เมื่อวาจามีอยู่อาศัยความจงใจทางวาจาเป็นเหตุสุขทุกขภายในจึงเกิดขึ้นได้เมื่อมโนมีอยู่อาศัยมโนสัญเจตนาเป็นเหตุ สุขทุกภายในจึงเกิดขึ้นได้เพราะอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยบุคคลจึงปรุงแต่งกายะสังขารขึ้นเองเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกภายในบ้างเนื่องจากผู้อื่นคือถูกคนอื่นหรือตัวการอื่นๆกระตุ้นหรือชักจูงจึงปรุงแต่งกายะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกภายในบ้างรู้ตัวอยู่จึงปรุงแต่งกายสังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกขภายในบ้างไม่รู้ตัวอยู่ย่อมปรุงแต่งกายสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกขภายในบ้างจึงปรุงแต่งวัจีสังขารมโนสังขารขึ้นเองบ้างเนื่องจากผู้อื่นบ้างโดยรู้ตัวบ้างโดยไม่รู้ตัวบ้างเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกขภายในในกรณีเหล่านี้อวิชชาเข้าแทรกอยู่แล้วทั้งนั้นคู่ที่สี่หนึ่ง การะกะเวทกาที่เอกตวาทะการถือว่าผู้ทําและผู้เสวยผลเป็นต้นเป็นตัวการเดียวกัน 2. การะกะเวทกาที่นานตวาทะการถือว่าผู้ทําและผู้เสวยผลเป็นต้นเป็นคนละอย่างขาดจากกันในอัญญติรัสูตรสัรส่งยุตานิกายนิทานวัคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบคําถามของพราหมณ์คนหนึ่งดังนี้ พรามนั้นถามว่าตัวที่ทําก็อันนั้นตัวที่สวยผลก็อันนั้นหรือตรัสตอบว่าข้อว่าตัวที่ทําก็อันนั้นตัวที่สวยผลก็อันนั้นเป็นที่สุดข้างหนึ่งถามว่าตัวที่ทําก็อย่างตัวที่สวยผลก็อย่างหรือตรัสตอบว่าข้อว่าตัวที่ทําก็อย่างตัวที่สวยผลก็อย่างเป็นที่สุดข้างที่สอง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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบคำถามของภิกษุรูปหนึ่งดังนี้ภิกษุนั้นถามว่าพระองค์ผู้เจริญจะรามรณะคืออะไรจะรามรณะนี้ของใครตรัสตอบว่าตั้งปัญหายัางไม่ถูกผู้ใดกล่าวว่าจะรามรณะคืออะไรจะรามรณะนี้ของใครหรือผู้ใดกล่าวว่าจะรามรณะก็อย่าง เจ้าของจารามรณะก็อย่างคำพูดทั้งสองแบบนี้มีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีความเห็นว่าชีวะก็อันนั้นสริระก็อันนั้นการครองชีวิตอันประเสริฐหรือพรหมจันทร์ก็มีไม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างการครองชีวิตประเสริฐหรือพรหมจันทร์ก็มีไม่ได้ ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองนั้นย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจรารมรณะจึงมีถามว่าพระองค์ผู้เจริญชาติพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารคืออะไรของใครตรัสตอบว่าตั้งปัญหายัางไม่ถูก และเนื้อความที่ส่งตอบต่อไปก็เป็นแนวเดียวกับพ่อชารามรณะและตรับดีกว่าเพราะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือความเห็นที่บิดเบือนสายพร่าขัดกันอย่างใดอย่างใดก็ตามว่าชารามรณะคืออะไรชารามรณะนี้ของใครก็ดีชารามรณะก็อย่างเจ้าของชารามรณะก็อย่างก็ดีชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้นก็ดีชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างก็ดีความเห็นเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอันถูกกำจัดถอนรากทิ้งทำให้สิ้นสากถึงความไม่มีหมดทางเกิดขึ้นได้ต่อไปในภักขุณสูตรสังยุตติกายนิธานวัรคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบคำถามของพระโมลยะภักขุนะดังนี้ พระโมลยพักกุณะถามว่าใครหนอย่อมผัสสะหมายความว่าใครเป็นผู้รับผัสสะตรัสตอบว่าตั้งปัญหายังไม่ถูกเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมผัสสะถ้าเรากล่าวว่าย่อมผัสสะในกรณีนั้นจึงควรตั้งปัญหาได้ถูกต้องว่าใครหนอย่อมผัสสะแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเมื่อเราไม่กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามอย่างนี้ว่า เพราะอะไรเป็นปัจจัยพรรษะจึงมีนี้ชื่อว่าตั้งปัญหาถูกต้องในกรณีนั้นก็มีคำเฉลยที่ถูกต้องว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัรษะจึงมีเพราะผัรษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีถามว่าใครหน่อเสวยเวทนาใครหน่อทยานอยากหรือใครมีตัณหาใครหน่อย่อมยึดมั่น หรือใครมีอุปาทานตรัสตอบว่าตั้งปัญหาอย่างไม่ถูกผู้ใดถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอเวทนาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอตัณหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนออุปาทานจึงมีนี้ชื่อว่าตั้งปัญหาถูกต้องในกรณีนั้นๆก็มีคําเฉลยที่ถูกต้องว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเป็นต้นจนถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนี้ในหน้าตุมหากังสูตรสั่งยุตธนิกายนิทานวัคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้มิใช่ของพวกเธอแล้วก็มิใช่ของใครอื่นพึ่งเห็นว่ากรรมเก่านี้ เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถูกจงใจจำานงขึ้นมาคือเกิดจากเจตนาหรือมีเจตนาเป็นมูลเป็นที่ตั้งของเวทนาภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นอริยสาวกูได้เรียนรู้แล้วย่อมพิจารณาสืบสาวคือมีโยนิโสมณสิการเป็นอย่างดีถึงการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น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 เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเป็นต้นจนถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการชนิ้หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงความจริงของธรรมชาติให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีลักษณะเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าไตรลักษณ์เป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่มีปัญหาในเรื่องที่ว่าสิ่งทั้งหลายมีหรือไม่มีจริง ยั่งยืนหรือขาดศูนย์เป็นต้นแต่ผู้ไม่รู้ความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาทมักเข้าใจไตรลักษณ์ผิดพลาดโดยเฉพาะหลักอนัตตนั้นมักได้ยินได้ฟังกันอย่างผิวเผินแล้วตีความเอาว่าอนัตตาหมายถึงไม่มีอะไรกลายเป็นนัธิกะวาทะอันเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงไปเสียผู้เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทดีแล้ว ย่อมพ้นจากความเข้าใจผิดแบบต่างๆที่แตกแขนงออกมาจากทฤษฎีทั้งหลายข้างต้นนั้นเช่นความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมีมูลการหรือเหตุต้นเขาเดิมสุดและความเข้าใจว่ามีสิ่งวิเศษนอกเหนือธรรมชาติเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วข้างต้นตัวอย่างพุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นในปัจจยสูตรสังยุตตนิกายนิทานวักพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปปนธรรมคือสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้ชัดเจนตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญาแล้วเมื่อนั้นการที่อริยสาวกนั้นจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างต้นว่าในอดีตเราได้เคยมีหรือไม่หนอ ในอดีตเราได้เป็นอะไรหนอในอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนอในอดีตเราเป็นอะไรแล้วจึงได้มาเป็นอะไรหนอหรือจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างปลายว่าในอนาคตเราจกมีหรือไม่หนอในอนาคตเราจักเป็นอะไรหนอในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรหนอในอนาคตเราเป็นอะไรแล้วจะได้เป็นอะไรหนอ หรือแม้แต่จะเป็นผู้มีความสงสัยการปัจจุบันเป็นภายในนะบัตินี้ว่าเรามีอยู่หรือไม่หนาเราคืออะไรหนาเราเป็นอย่างไรหนาสัตว์นี้มาจากที่ไหนแล้วจากไปณที่ไหนอีกดังนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาริยสาวกได้เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปบาทธรรมเหล่านี้ ชัดเจนแล้วตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญาโดยในยะนี้ผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทจึงไม่สงสัยในปัญหาอภิปรัชญาต่างๆที่เรียกว่าอันตะคาหิกะทิฐิคือความเห็นที่ยึดเอาที่สุดคือแล่นไปถึงที่สุดในเรื่องหนึ่งหนึ่งเช่นโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นและจึงเป็นเหตุผลที่พระพุทธเจา้าทรงนิ่งเสีย ไม่ตรัสต่อปัญหาเหล่านี้ในเมื่อใครก็ตามมาทูลถามโดยตรัสว่าเป็นอัปยากะตะปัญหาหรือปัญหาที่ไม่ทรงพยากรเพราะเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทเข้าใจการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยแล้วปัญหาเหล่านี้ย่อมกลายเป็นเรื่องเลวไหลไปขอยกตัวอย่างพุทธพจน์ที่แสดงเหตุผลในการไม่ตรัสต่อปัญหาเหล่านี้ เช่นในวัจจสูตรสังยุตตนิกายสลายตนวัตวัจจโคดปริภาชกได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคตมะผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกปริภาชกผู้ถือรัฐที่อื่นทั้งหลายเมื่อถูกถามอย่างนี้ว่าหนึ่งโลกที่ยังยั่งยืนนิรันดรหรือสองโลกไม่เที่ยงหรือสโลกมีที่สุดหรือส โลกไม่มีที่สุดหรือ 5. ชีวะอนันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือ 6. ชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างหรือ 7. สัตว์หลังจากตายแล้วมีอยู่หรือ 8. สัตว์หลังจากตายแล้วไม่มีหรือ 9. สัตว์หลังจากตายแล้วทั้งมีทั้งไม่มีหรือ 10. สัตว์หลังจากตายแล้วจะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ strike, ไม่มีก็ไม่ใช่หรือ พวกปริพาชคผู้ถือลทัทธิอื่นทั้งหลายนั้นจึงพยากรณ์ว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างเป็นต้นจนถึงสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่บ้างแต่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านพระโคตมะผู้เจริญเมื่อถูกทูลถามอย่างนั้นจึงไม่พยากรณ์ไปว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าแหนท่านวัชชะ เราปริภาชกผู e ้ถือลัทธิอื <|es|> i i i i ่นย่อมเข้าใจว่ารูปเป็นอัตตาบ้างว่าอัตตามีรูปบ้างว่ารูปอยู่ในอัตตาบ้างว่าอัตตาอยู่ในรูปบ้างเข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นอัตตาบ้างเข้าใจว่าวิญญาณเป็นอัตตาบ้างว่าอัตตามีวิญญาณบ้างว่าวิญญาณอยู่ในอัตตาบ้าง ว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณบ้างเพราะฉะนั้นเราปริพาชกผู้ถือลทัทธิอื่นเหล่านั้นเมื่อถูกถามอย่างนั้นจึงพยากรณ์ไปว่าโลกที่อย่างบ้างเป็นต้นส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสมพุทธเจ้าย่อมไม่เข้าใจเอารูปเป็นอัตตาหรือว่าอัตตามีรูปหรือว่ารูปอยู่ในอัตตาหรือว่าอัตตาอยู่ในรูปเป็นต้นจนถึงว่า วิญญาณเป็นอัตตาหรือว่าอัตตามีวิญญาณหรือว่าวิญญาณอยู่ในอัตตาหรือว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณเพราะฉะนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถูกทูลถามอย่างนี้จึงไม่พยากรว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นการที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบปัญหาที่เรียกว่าอภิปรัชญาเหล่านี้ มีเหตุผลหลายประการที่สำคัญก็คือปัญหาเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยเอาความเข้าใจผิดเป็นมูลฐานผู้ตั้งปัญหาคิดปัญหาขึ้นจากความเห็นผิดของตนเองเช่นเข้าใจว่ามีอัตตาเป็นต้นปัญหาที่ถามจึงไม่มีภาวะที่ตรงกับความจริงเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าตั้งปัญหาไม่ถูกอย่างพุทธพจ น, น์ขงต้นนี้ประการหนึ่งความจริงที่ปัญหานี้เล็งไปถึง ไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลการอธิบายด้วยเหตุผลย่อมไม่มีทางให้ผู้ฟังมองเห็นความจริงได้เป็นอย่างที่เรียกว่าสิ่งที่ต้องดูด้วยตาจะเอามามองให้เห็นด้วยหูย่อมเป็นการสิ้นเปลืองเวลาเปล่านี้อย่างหนึง่งและที่สืบเนื่องจากเหตุผลข้อที่แล้วมาก็คือในเมื่อไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลการยังมามัวตีวาทะแสดงเหตุผลกันอยู่ ย่อมไม่ช่วยให้เกิดผลทางปฏิบัติในชีวิตจริงพระพุทธเจ้าทรงสนพระไทยสิ่งที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในทางปฏิบัตินำมาใช้เป็นประโยชน์ได้จึงทรงปัดปัญหาเหล่านี้เสียทีเดียวทรงชักผู้ถามกลับมาหาปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตจริงในทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลาใดๆและถ้าหากความจริงเหล่านี้บุคคลสามารถเข้าถึงได้จริงพระองค์ทรงบอกให้ผู้นั้นลงมือทำ หรือปฏิบัติตามวิธีการที่จะให้เข้าถึงความจริงนั้นเสียทีเดียวไม่ให้มัวมาถกเถียงเป็นตาบอดคลำช้างอยู่ประการสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงอุบัติในสมัยที่คนกําลังสนใจกันนักหนาในปัญหาเหล่านี้เจ้าลัทธิที่สนใจคิดตกเถียงต่อปัญหาเหล่านี้กันก็มีทั่วไปคนถามก็นิยมถามปัญหาเหล่านี้จนกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะความคิดของคนยุคนั้น ซึ่งหลงวุ่นวายในเรื่องนี้กันจนเหินห่างจากความจริงของชีวิตการที่จะไปร่วมวงตอบกับเขาอีกก็ไม่ทำให้เกิดอะไรดีขึ้นพระพุทธเจ้าจึงส่งนิ่งไม่ตอบเสียเลยซึ่งนอกจากเป็นการไม่ส่งเสริมการถกเถียงในเรื่องนี้แล้วยังเป็นการกระตกอย่างแรงให้หันมาหาสิ่งที่พระองค์ทรงมุ่งสั่งสอนคือความจริงที่เกี่ยวกับชีวิตจริงอันเป็นวิธีการที่ได้ผลทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง สำหรับเหตุผลในทางปฏิบัติสำหรับการไม่ตอบปัญหาเหล่านี้พึงดูในตอนว่าด้วยอริยสัจทฤษฎีหรือลัทธิที่ผิดซึ่งขัดแย้งต่อหลักปฏิจจสมุบาทานี้ยังมีอีกบางข้อที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษในแง่ของกรรมแต่จะงดไว้ไม่พูดถึงนาที่นี้ก่อนเพราะได้ยกเรื่องกรรมไปอธิบายต่างหากอีกส่วนหนึ่งแล้วจึงจะได้นาไปรวมแสดงไว้นาทีนั้น